พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเราหมั่นพิจารณากันอยู่งเนืองว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังตัดพบตัดชาติหรือว่าเรากำลังก่อพบกาอชาติถ้าเรา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 สร้างชาติหรือกำลังตัดภพตัดชาติถ้ากำลังตัดภพตัดชาติทา่านก็เรียกว่าเป็นกุศลาเป็นกุศลถ้ากำลังสร้างภพ ập, สร้างชาติทา่านก็เรียกว่าเป็นอกุศลาเป็นอกุศลเราต้องสร้างกุศลาสร้างกุศล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 แล้วก็มาใช้เงินใช้ทองถ้าเรายัางต้องใช้เงินใช้ทองเราก็ต้องหาเงินหาทองเราก็ต้องไปทำงานทำการไปทำมาหากินเวลาที่เราจะเอามาบำเพ็ญก็จะไม่มีถ้าเราเลิกใช้เงินใช้ทองเป็นเครื่องมือหาความสุข เราก็ไม่ต้องไปหาเงินหาทองเราก็จะมีเวลามาหาความสุขจากการบาเพ็ญจากการรักษาศีลจากการเปรกวิเวกจากการเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่คือความหมายของการทำทานคือไม่ให้เรา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 บางคนถึงกับต้องข่าตัวตายไปก็มีเพราะว่าไม่สามารถที่จะหาความสุขจากเงินทองได้ต่อไปนี่เราเรียกว่าเป็นความสุขปลอมเราจึงต้องยุติการหาความสุขแบบนี้กันเพื่อที่เราจะได้มาหาความสุขที่แท้จริงความสุขที่มีความทุกขุมหยวอยู่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 ของรสชาติแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงนั่นแหละการมาปฏิบัติธรรมจนไปเหมือนน้ำตาลเคลือบยาขมการไตทางโลกไปทางทางความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางลาบยศ ส, สรรเสริญนี่เป็นเหมือนไปสู่น้ำตาลเคลือบยาขม หวานเดียวเดียวหวานตอนใหม่ๆเวลาแต่งงานกันใหม่ๆนี่หวานเจียบเลตอพอไม่นานน้ำตาลที่เครือบมันก็ละลายหายไปเหลือแต่ยาขมเกินไม่เข้าลายไม่ออกจะยากันก็อยาไม่ได้จะอยู่กันก็อยู่กันไม่อย่างไม่มีความสุขอยู่กันไปแบบทนกันอยู่กันไป จนว่าจนกว่าใครจะตายไปก่อนกันนั่นะคือความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลล่นกายทางเงินทองเราจึงต้องยุติการใช้เงินใช้ทองหาความสุขต่างๆยุติการแสวงหาเงินทองเพื่อเราจะได้มีเวลามาหาความสุขทางใจ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 ใจของเราก็จะไม่ออกไปเพ่นพ่านเวลาที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบก็จะง่ายได้กว่าการไม่มีศีลหรือมีน้อยเช่นมีศีลห้าศีลห้ากับศีลแปดนี่มีความแตกต่างกันตรงที่ศีลห้าไม่สามารถที่จะล้อมคอกใจไม่ให้ออกไปทางรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะได้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 เพื่อจะได้มีเวลามาเจริญสติเพื่อที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบนั่นเองนี่คือหน้าที่ของทานและศีลทานก็ส่งให้ใจได้ไปสู่การบำเพ็ญมักษาศีลสู่การบำเพ็ญภาวนาพอได้ทำทานอย่างเต็มที่แล้ว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 มารบกวนเวลาที่เราจะต้องเจริญสติเราจะได้เจริญสติงานของเราก็มีแค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นเองอย่างเป็นนักบวชนี้ก็มีแค่เตนขึ้นมาก็เตรียมไปบินกระบบินกบาบเสร็จก็ฉันฉันเสร็จก็ล้างบาสเสร็จ แ, แล้วก็เก็บกวาด ถ, ถูสาราให้เรียบร้อยแล้วก็กลับกุฏิ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 กำลังเดินไปสู่ปรามังสุขขังปัญญาก็จะเปิดไฟเขียวไปได้เต็มที่เลยไม่ต้องเบรกไปเลยตัดมันทุกสิ่งทุกอย่างเลยมีอะไรขัดขวางมีอะไรเหนียวรังไว้ตัดมันไปให้หมดนะเพราะกำลังเดินไปสู่ความสุขไม่ใช่ไปเดินไปสู่ความทุกขเป็นการเดินออกจากกองทุกไปสู่ความสุข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 แต่ในสมัยปัจจุบันนี้มันตรงกันข้ามกันสมัยปัจจุบันนี้มีปัญญาเยอะแต่ไม่มีสมถะไม่มีความสงบกันมีแต่เรียนกันสุตตมยปัญญาฟังทำกันจนหูฉี่กันรู้กันหมดว่าไตราลักเป็นอะไรอริยสัจสีเป็นอะไรแต่ไม่มีอุเบกขาไม่มีความสงบใจไม่นิ่งพอตันหาเกิดขึ้นมาก็สู้ไม่ไหว พอบอกอยากจะดื่มกาแฟมันก็คว้าไปก่อนแล้วมือก็ยื่นไปก่อนแะสติปัญญาสามไม่ทันนี่คือความแตกต่างกันกับสมัยพุทธกาลกับสมัยปัจจุบันปัจจุบันจึงไม่ค่อนบรรลุมรรคผลนิพพานกันะเพราะขาดสมถะภาวนาเพ่อหลวงคิดว่ามีปัญญาแล้วเป็นปัญญาชนกันเพื่อนฟังธรรมกันรู้เรื่องรู้หมดจบพระไตรปิฎกเหมือนกับพระโพธิพัทเมฆ โปริรัสใบลานเปล่านะครับพวกเราก็คงจะอยู่ในสภาพนั้นใบลานเปล่าฟังเทศคูบาอาจารย์นิโอไม่รู้เป็นกี่พันกันเนี่ยเดี๋ยวนี้อัดเข้าไปในเครื่องอัดเสียงนี่อยากจะฟังกันไหนกดเบอร์ไหนโผล่ขึ้นมาฟัางแล้วมันบร ด, ดูุกันที่ไหนฟังแล้วมันก็เหมือนเดิมเพราะมันไม่ภาวนากันไม่จะนอนสมถะภาวนากันนะครับ ดังนอย่าไปมองข่ามเรื่องสมถาภาวนาสําคัญมากคําสอนขั้งแรกของหลวงปู่มั่นให้กับหลวงตาก็คือให้เจริญสมถาภาวนาหลวงปู่มั่นบอกว่าท่านเป็นมหาแล้วท่านเรียนจบปัตตัยบิดดกมาแล้วแต่ความรู้เหล่านี้มันไม่เป็นประโยชน์กับท่านตอนนี้ท่านต้องมาทําใจให้สงบก่อนท่าใจสงบแล้วทีนี้ความรู้ที่ท่านเรียนมานี้มันจะเป็นประโยชน์กับใจะ ที่เป็นคำสอนที่หลวงตาท่านเล่าให้ฟังตอนที่ไปขอกราบอยู่กับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็ให้โอวาดไวด้แ่านี้ยางขอให้พวกเราจงพยายามเจริญตามแนวต่างแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเข้่งครัดท่านสอนให้ทำทานก็ทำทานรักษาศีลก็รักษาศีลให้เจริญสติก็เจริญสติให้เจริญ ส, ส, สมถะภาวนาทำใจให้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 ราโสยถาสัพิติโยวิวาจานตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีพายุโกภวะอภิวาทนศีลิศะนิจจังวุทธาปจายโนจตารโธรรมาวัฏาติอายุวโนสุขัง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 นั่งต่อไปแล้วหนูก็พยายามดูไปอันิตสังไปก็นั่งต่อไปแล้วก็ย้ยคำคาถามที่หนูใช้คำเ ก, กี่ยว ก, กับการเกี่ยวเรื่องของความตายว่าถ้าเราตายตอนนี้เราจะเสียเสียใจไหมล้วก็ย้ำ้ต่อเรื่อยๆเร่อยๆเรืๆยังไม่หยดุดค่ะสัพกพักก็มันพอทุกขเวทนามันก็เริ่มมาหนูก็ยังนั่งพยายามนั่งต่อไปนั่งต่อไปสัพกพักอม ถ้าไปปกติหนูจะรู้สึกถึงทุกขเวทนาที่มากกว่านี้ที่แรงกว่านี้แต่ว่าครั้งนั้นคือมันมาเรื่อยๆอะค่ะแต่ว่าถึงจุดหนึ่งมันก็มันก็ทนไม่ไหวค่ะแล้วก็อีกเหตุการณ์ก็คือคลายกันค่ะก็มีทุกขเวทนาเข้ามาแต่ว่าหนู หนูรู้สึกถึงความเจ็บที่ขาเราสักพักหนูก็เริ่มสังเกตุอยู่มันเริ่มสังเกตเห็นว่าตัวหนูไม่แน่ใจวันคือสริงหรือเปล่าค่ะรู้สึกว่าร่างกายกับที่เป็นตัวหนูเนี้ยหนูเห็นความร้อนกับความเย็นหนูเห็นว่าสิ่งที่เป็นหนูข้างในมันเย็นในขณะที่ความเจ็บปวดข้างนอกที่รู้สึกที่ขามันร้อนหนูเริ่มสังเกตเห็นว่าเวลาที่หนูอยากจะลุก หนูรู้สึกเป็นคราที่หนูรู้สึกถึงความเจ็บที่มากขึ้นหนูเห็นอาการของของหนูอ่ะคะ่ะอาการของเจ็บว่ามันพยายามที่จะพยายามที่จะต้านแผนมันกลัวเวลาที่มันกลัวแล้วมันก็เวลาที่มันเฉยเฉยเวลาที่มันเย็นแต่ว่าสุด ท, ท้ายสดท้ายอะค่ะหนูก็ยังไม่สามารถฆ่ามันไปได้แต่หนูก็ยังไม่ได้หยุด ท, ท, ที่จะที่จะทําตรงนี้อ่ะคะ่ะ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 ใจไม่ได้เป็นผู้เมตใจไม่ได้เป็นเวทนาใจเป็นผู้รู้ก็ให้รู้ไปเฉยๆนะรับเรายัางไม่รู้จักแยกแยะธรรมทั้งสามอย่างนี้ให้ให้เป็นอิสระคือไม่ให้ไปผูกพันกันให้ร่างกายก็เป็นเพียงแต่ร่างกายให้เวทนาก็เป็นเพียงแต่เวทนาให้ใจก็เป็นเพียงแต่ใจ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 ต้องไปให้มันขาดใจไปกับอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าให้มันไปคิดถึงความเจ็บคิดถึงทุกขเวทนาแล้วใจจะปล่อยได้ชั่วข่าวใจก็จะเข้าสู่ความสงบเป็นอุเบกขาได้พอมีอุเบกขาแล้วในข่าวต่อไปเวลานั่งแล้วเจอความเจ็บก็ลองแยกดูพิจารณาเป็นส่วนๆไป ร่างกายก็เป็นดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟมันจะไปรู้ว่ามันเจ็บหรือไม่เจ็บได้อย่างมันเจ็บได้อย่างไรเวลาคนตายเอาไปเผาายไม่เห็นมันดิน้นนะไม่เห็นมันร้องใครร้องกันแนะ่เวลาที่ร่างกายมันเจ็บนะร่างกายเจ็บไอคนร้องก็คือกิเลสตัณหานี่ความกลัวความเจ็บเนี่ยเราต้องรู้จักแยกแยะไปว่า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 คือความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปยางาหน้าที่ของใจของสติปัญญาก็ต้องสอนใจว่าอยากไปอยากให้ทุกขเวทนาหายไปเพราะสั่งมันไม่ได้ไล่ขับไล่มันไปไม่ได้ถ้ามันจะอยู่ก็ให้มันอยู่ถ้าไม่ชอบก็หัดชอบมันเสียถ้าชอบมันแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมคนเราเวลา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 อยู่เอาแววคำว่าต้องหัดนั่งวิทนั่งบ่อยๆมันเจ็บก็พยายามอยู่กัามันไปพยายามทำใจปรับใจให้ชอบมันเสียเหมือนคนกินเพริกเนี่ยถ้าไม่ชอบกินเพริกเนี่ยมันกินไม่ได้เพราะกินไปม็ดคำเดียวมันก็โหมันทุกขขึ้นมาแต่คนที่ชอบนี่กินไปกี่เม็ดมันก็ไม่เดือดร้อนเพราะเขาชอบอย่าน ถ้เราไม่ชอบอะไรเราหัดกินไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ชอบเองมันก็ชินกับแล้วต่อไปมันก็จะชอบมันก็จะไม่ต่อต้านตอนนี้ใจเราต่อต้านทุกขเวทนาเรื่อเราต้องหาอุบายวิธีหยุดต่อต้านวิธีแรกก็คือใช้สติดึงออกมาอย่าไปคิดถึงมันให้คิดอยู่กับเรื่องอื่นแทนคิดถึงพุโทธโธธรรมโมสังโฆคิดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาคิดถึงอาการสาสิสองไปแล้ว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 กาะจายไหมคอบคุณค่ะมีใครอยากกระถามยังไหมไม่มีก็ส่งไปให้ทางพิธีกรนะมมหมอเขาไปถามถามหมอหมอหมอถามกลัดนามัสการค่คอาจารย์เวลาที่นั่งสมาธิแล้วมีความสงบอะค่ะมันเกิดความสุขหลายแบบอ่ะค่ะบางทีก็เหมือนอยู่ในน้ำบางทีก็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 ความสุขมันมากกว่าค่ะเราก็ไม่สามารถกลับไปที่จะ บ, บริกรรมหรือดูลมได้อะค่ะก็เลยใช้วิธีว่ากระดูความสุขที่เกิดขึ้นนั้นไปอะค่ะแล้วสักพักสักประมาณสักนาทีหนึ่งมันก็ดับไปเองเนี่ยค่ะอะก็อให้ใช่ใช่สักแต่ว่ารู้ไปเป้าหมายของเราก็คือต้องการไปสู่ความว่างไม่มีความสุขแบบนั้นให้มีความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่เกิดจาก ความว่างเกิดจากอุเบกขาอันนี้มันเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งที่มันเป็นคุณสมบัติคู่กับความสงบของใจมันไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากการภาวนาพุทธโธพุทธโธแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาระหว่างก่อนที่เราจะเข้าไปสู่อุเบกขานั้นมันก็จะมีความสุขบีนปิติแบบนั้นมันก็เป็นแบบชั่วคราวก็ให้รู้ไปเท่านั้นเอง ขอให้เราอยู่กับการภาวนาหรืออยู่กับผู้รู้คือศักแต่วรู้เป้าหมายของเราก็คือต้องการให้ใจว่างให้ใจสงบนิ่งเป็นอุบเบกขาแล้วจะมีความสุขอีกแบบหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะพีะะ่หมอแอมเองเมื่อวานส่งคำถามมาเราจะถามอย่างไร้างอ่าบอกว่าอนะมีคนเขาถามว่าอยากจะถามปัญหาไหม อ่าไม่ไม่ถามเองอ่าพิธกรถามเราไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากคุณประพาพันมีโยมถามพระอาจารย์ว่าเวลาภาวนาพุโทโธจิตมักไปคิดเรื่องอื่นพระอาจารย์บอกให้นับพุโทโธหนึ่งพุโทโธสองไปเรื่อยๆให้จิตจดจ่ออยู่กับการนับ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 ถ้ามันยังไม่หมดมันก็ติดตามมาถ้าหมดแล้วมันก็ไม่ติดตามมามันอยู่ที่กําลังของกรรมที่เราทําไว้ว่าหนักหรือเปล่าเช่นเราไปฆ่าคนสิบคนกับฆ่าคนคนหนึ่งคนนี่น้ำหนักมันก็ต่างกันวิบากมันก็ต่างกันข้อที่สอง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 ที่ไม่ต้องลมแต่ก็สูตรเหลือความพยายามจึงพิจารณาผู้รู้โดยนำหลักไตรลักษ์มาคี่์คายเห็นผู้รู้ยังคล้องในไตรลักษ์อยู่ทันใดนั้น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 อาการนั้นก็อันตรธานไปกลับมาเป็นปกติตามเดิมจึงได้พิสูจน์สิ่งที่รู้ก็เป็นความจริงตามความรู้อีกแนวทางหนึ่งกระผมบริกรรมพุโทโธอยู่เกิดจิตรวมลงไปในท่ามกลางอกเห็นอาการของความรู้นั้นเด่นชัดความคิดอยู่บนหัวแต่ความรู้อยู่ท่ามกลางอกอาการนี้เป็นบ่อยบ้ากบางทีก็ไม่บริกรรมก็เป็นเอง เลยเกิดความสงสัยว่าจะปฏิบัติไปในทิศทางไหนเรนในระหว่างสองทางนี้ครับก็ทางแรกก็ไม่ควรไปเพราะว่าพอภาวนาไปแล้วปรากฏอะไรให้เห็นให้รู้ก็หยุดภาวนาอันนี้ก็จะไปไม่ถึงอุเบกขาต้องการภาวนาต่อไปเวลามีอะไรปรากฏมาให้รับรู้ถ้าเรายังบริกรรมพุโทโธได้เราก็บริกรรมพุโทโธต่อไป เพราะเรายัางไม่ถึงจุดหมายปลายทางคืออุเบกขาจิตรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้ปราศจากความคิดปรุงแต่งประการที่สองที่เล่าให้ฟังนี้ก็คล้ายๆว่าจะถึงแต่ยังไม่ถึงเพราะยังมีความคิดปรุงแต่งอยู่ยังก็ต้องภาวนาต่อไปจนกว่าความคิดปรุงแต่งเนั่นหายไปเหลือสักแต่ว่ารู้เพียงอย่างเดียว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 แั้นมันต้องมีได้มีเสียการที่จะได้อย่างเดียวไม่มีข้อที่สามเรื่องการปฏิบัติตอนนี้รู้ว่าเรายังติดหลงอยู่กายคนอื่นมองว่าเป็นอสุภะได้เพราะเห็นจากคนไข้ทุกวันแต่ทาไมกายเราเองพิจารณายังไงก็ไม่ขาดทาั้งๆที่ก็บอกมันทุกวันว่าเป็นเพียงท่าสีมันไม่ใช่ของเรา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 ตามกำลังตามความสามารถของเราตอนวันนี้เราทำได้มากน้อยเพียงไรเราก็ทำไปก่อนแล้วถ้าเราคิดว่ายังทำเพิ่มเติมขึ้นมาได้อีกแล้วก็ทำเพิ่มขึ้นไปค่อยๆขยับขึ้นไปนะคำถามต่อไปจากคุณกระโนกพรดิฉันอ่านหนังสือแล้วกล่าวว่าจิตคิดดีมีความสุขมากเท่าใดตันหาก็ทำให้เกิดความทุกข์มากเท่านั้น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 สุขมากรือทุกข์มากนี้ก็อยู่ที่ความรักมากหรือรักน้อยนี่เองคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามการปฏิบัติจนเป็นสัมมาทิฏฐิผลของการกระทำหรือวิบาก ค, คือไม่ให้ผลบุญผลบาปเป็นกลางๆเหนือบุญเหนือบาปใช่หรือไม่คะเรื่องของวิบากนี่เราไปเปลี่ยนมันไม่ได้วิบากของกรรมที่เราทำมาแล้วมันก็จะต้องเป็นไปตามเรื่องของมัน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 ถ้ามันถ้ามันหมดมันก็ไม่ตามถ้ายังไม่หมดเหมือนเจ้าหนี้ถ้าเราจ่ายก็ไม่หมดเข้าก็ต้องมาตามหนี้ต่ออฉาชั้นกรรมนี่ก็เป็นเหมือนหนี้ที่เราต้องใช้ถ้าใช้หมดได้มันก็หมดไปถ้ายังไม่หมดมันก็อย่าตามมาเก็บต่อๆไปคําถามต่อไปจากคุณกอล์ฟข้อที่หนึ่งการพิจารณากรรมฐานห้ากระผมภาวนาเกษาโดยทําความรู้บนศีรษะ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 ถ้าเราต้องการที่จะไปทางนี้เราต้องคิดแบบนี้เราถึงจะไปได้ถ้าเรายังคิดว่าเราอยัางเป็นลูกของคนนั้นลูกของคนที่อยู่เราก็จะไปไม่ได้คำถามอ่า่าคถามหมดพอดีเอาไม่ <c oughs> อีกเอเอามาเอาสองไมโครโฟนมาหน่อย